ทตไมมันไม่สาราบเน้อสีดินมันย่างค่อยหม่เล็กไม่พลาไม่บัสไม่เบิร์นสีดินมันไม่ย่างไปบัสตลอดขาทะเล ก, กับพระท่านพระพาอันกับสีดินไฝ่ไส้ล้วนลงในสนามหาสมทุทระเลเห็นหอยพอเห็นไฟ่จะจอดสับวาวนลงแม่น้าโขงก็คือกันอันเดียวนะไม่ใช่แพ้ตัวใดถ้าทำเท่าน่าพุทธเั้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์ธรรมะหาอย่างที่ท่านสุชขอบ ต่างือกำลังมม่ข้อหลายตล์ด้ยเอ่อไปเรียนเรยนเรียนพราเรียนพบะเรียนเห้วยมืดอัดรอนแบบวัดหาตายกับโม่ขอมันมีเงินมัมีกฟพระผลละโอ้ชาติอรรถว่าคนยังรุปอจมันน้ำอันนี้หลายใช้ไหมล่ะเออั้กโมเช็ยบบาร์ไทยเม็นติเจนทอพระเจ้าห้องโม่เงินดกนรกนี้โมพระเจ้าไปนหุ่นเอนน่ะ หายมันสิมาเป็นหนเทียมพษษเพราะกุฏิเจ้าวะมีเหรอแอนเนี่ให้น้อมเป็นกังวนเท่าดึงน้อมยากเป็ น, นปเน เ, นเป็นพรเ็นวเป็นบุญรวยาก้าเจ้ารวย ล, ลุงร้านทวกขา สิ้หาย ว, วายอดเต็มนาจนสิ้ทือกระเบืองอท่านก็มีเนียทรัพย์สินไม่พอตั้งตัวได้ก็ตั้งตัวว่าไเอาเดวเดีเด้าเ ด, ดบ้านี๋เบอเบ็ดสิ้นทือกัะเบืองคอท่านอ่นาะาบฟังบอกมาฟังสิ่งว่ตอนนี้กรตามสิน้าในเมือล้านล้านก็นสร้างขันในเลกราบ่าไปตลอ ที่พายวัดนูกเต่ามากครับเรีนขึ้นกันเนี่ยพ่อแม่ผ้าเล่นศพขาเขื้นกันยงสิเ น, นทายั่งท่านันไปเอาไปป้อนเสด็จพราะแว่าคาพาศพพ่อแม่ห้าวถวาสนถ้ามาาบศพข้าวข้ น, ขนเ่าได้เผาได้ยิบ พ, พี่ย น, อนอ้องโ่สันว่าชี า, ายวัดดบย่างสันท่านะ้ออธิษฐ า, านจ้ะ ข่าเป็นถัดพระพุทธธรรมประสงค์รงเมื่ออธิษฐานไว้ในจิดชนะอื่นของเฮาโม่มีพระพุทธรมประสงค์ถึงชนะสนะวัอถุอันอื่นมากผลเจ็บป่วยมากค่ะา้ยามากินเศ้ากบเศ้าว่าเศ้ากับตายข้าพุทธโธไม่ต้องไปตูแนวอื่นตายข้าพุทโธทโมสังโคโร่เถ่าเถ้าข้าหันแก้แก้ข้าหันเจ็บเจ็บข้หันตายก็ตายข้าน เหกาญวัที่ต่อพุทธธรรมประสงค์ใเมือง ล, ละแวอืนน่นมันแนวหมใจเลือดทุกยศสิบุษาพระพุทธธรรมประสงค์คนเมเก็บเวมปวดม่สลุปไม่ไลาทุกไม่สลอุเบกขาไขม่สลาย ส, ส, สิบุษะพระพุทธธรรมประสงค์หมดสิว่าบอื่นคุณพ่อคุณแม่ร่วมยือหันแล้วคุณท่านพุทมิ่คุณก็ร่วมมือหนแล้วท่านคนุณสิงคุณพ่อหนหัร่วมหันแล้ว ม we mm. ่นมีหลายการึง mm. ิงพระพุทธธรรมผสมห้องใจเป็นพูดเถิงเว้ยหยินน้าไฟรมมันเถึงเป็ี่ยนให่่หยินน้าไฟร่มลวนมันก็เรื่มสพระพุระธรรมผสเปลี่ยนยึดใจเข้าเลยถึงพาะพุทธธรรมผสมในตรงเมืองคุณก้อน่หือว่าลายผีออกไห้ได้ไงวะนิลายผีก็บลายออกจากใจทั้นั้นใจมัเถือมันกับมมี่ผีมุมี่แก้ภูบาธรรมบาปมุมี่ เจะาภูบาเพดผีป้มนี่เจ้าภูบาถือ บ, าบ่าวม้อมนี่เจ้าภูบาทำไรมิดไรผีกับไรออกจักไก่ไรควบคีค้ากอบไรออกกัดไก่ไรอันเลนเล็กเลนท้ากับไรออกจากไาก่ข อ, อ, ใ อ, ง, อ, อใงใจผ้าเหลียญมาเลนมาเลนเปล่นมาเศร้าเร้าว่าเปลี่ย น, นเ่วตัวนี้น เ, นนนเป็นห น, น้ายังไงไม่มาได้ก็เศ้าของตัวฐาน้าข้านเล็กบเห็นมี่ หน้าท้องนั่นไหนห ย, ย่อนเล็กหน้าท้งนี่ไหนห ย, ย่อนผาบ่เนี่ยมีสเสียนย่อนเลก็กหนผา ม, มันเบอผู้ได้จมเหือจมว่าจะเสียบะเสียบตัวไมเงินเะาไรเอาไปถิมเกกองไฟถิมเกกองไฟจว่ามันไหมคือคนกินเหลาเยโอยเมาไหลเยเพว่ามันเมาแต่พรไดเหลาไปกินที่อยันนี้คือกังเพรว่ามันิ้หายจพระไดไปเหลี่ยที่ย่ง กูถือแพ่มากหลายเพราะาา ว, ว่ากิซาที่ถือแพ้พยศณนะมันถึงพื้นถ้าไฟยณะไ ฟ, ะไฟมันบรศณะเลยถึงมเื่นาไฟเพระสะด็เอารดก้อนขึ้นมากแห้ง น, น้ำสเสด็นจีจกี่เท่านเนี่ยจซื้อปลาทู่มาให้ลูกกิงแตยังยังเห็นก่างมันอยู่ยานพนอ่นเห็นอี่ยังอ่นะ เตรียเสียมาหน่ไปซื้อสร้างซื้อมากเขได้ไปซื้อหน้าก็าได้ทงหนึ่งคนไปซื้อเครื่องซื้สร้างก็ได้ได้เหรียเสียมาหน่ถ้าซื้อของมาโยมากินขนาแพ่งก็ยังเห็นของอยู่อันนี้บอสบอเห็นหนังเลยทำอะไรซื้อปลาทูปูเข้มมาหายู ก, กินซื้อพริกก็ยังเห็นพริกซื้อเือ่แก็ยังเห็นปลาเขือ สือเองก็ยังเห็นอันนั้นลาแพ่งอะไรอันนี้พอเห็นยังมคิดฝายกับคิดฝ่ายกูตืนมึงมึงตูกูกูตัวมึงมึงตัวกูตกลงก็เลยผ้ า, า, าขัดเฝาเขาน่แม่ไฟตาง่ า, งายไปถิ่พื้นแท้ไฟแซงก่ห้องไฟ่สี่ใหม่ห้องไฝที่เป็นท่านหลายว่าสันเนาะ ผู้ทานไม่แตะผู้ท่านผู้ท่านม่แตะม่แดงไม่ชั้นแจนก็ ม, ม, ม้วอันภูมิมีเงื่อนหลายถิ่มใสเป็นทานแดงกึ่ะผู้มีมิแตลัวกับถิมลัวใสของมาแห้งใหม่ไหผู้นี้ปึ๊บโรดมาเสือผู้ได้พู้นีเจหน้าที่ับเขาก็ะเลนขึ้นกันเลนมันก็เป็นเงินอนมัดประเทศได้ว่าเงืนเขาผู้เดียว เขาชิปหายข้าวเขาชิปหายน้ำเขาเขาเงินรัฐบาลเขนเลียนเขาเอาเงินกระเป๋าว่าเขาเหาว่าเสียข้าวเขาเสียนําเขาอันเพราเงินประเทศเขาจะไปสู้เขาพ้านสิได้เจ๊กินที่นี่สิพวกคนเขาเล่นเขาก็เรียนรอค้อนไปบ้านเขาไปซื้อสัมภาเขาขายเอาของอันอื่นไปเจ๊ก่ายสิเขาเล่นเขาไปชิปหายแล้วเขารอค้อนไปบ้านเขาเขารอค้อนไปซื้อของเขา เอาไปวางหางวังมีนะครับอันนี้ัวยังเข้าเงิ่อนขายผักขายมีเอาไปแระหลปนะทำเขาไหยินเข้าวะไหนยิ่งเข้าวาเขาได้แห้งเสียไาผลเลีเ้ยงแห้งรุ่งคำว่าไหนยิ่เข้าเขาได้มเสียายรตอนไหนเนี่ยไปถามเขาไหนยินเจ้าเข้าเจ้าได้เมื่อไหร่กูเสียไปไรอ่ะจะทุน ก, กูคำว่าไหนคำว่าประทับคนอันนี้ก่งว่าจะทุ่นคำว่าไหน้นกกหวใช มีถ้าผู้เสียอารมณ์จมันผู้ได้ผู้ได้นั่นคั้วตัวนั้นหน้าท้องนั่นรถคันนั่นคาอะไขคาผ้าอาาวบในมีมีจะเสียไปหน้าท่องนั่งเสียเงนเละเสียดาเขาดาเขาไฟใหม่ควนไฟให ม, ม่แก่โซ่ขมงเ่กีเคง่ของเมีมม้เคืมม่องว่าละมัดทุนสูและฮะนีเงือนที่ไปตลาดกระบมุมีนางเจ้า นางกอดเข่าวันขาดแรงขาดง่ายโจรแรงโจง่ายาละวันนั่นไปตลาดบวมีเสื้อชินุ่งไปตลาดก็บ่วมีเหนือหนึ่งเราจีนด้เยอะไปตร อ, องนุ่งผมออกไปนอกบ้านก็บ่วมีเนี่ยชินุ่งถือผมละเอามาพ่อพ อ, อึดเข่าอึดเข่าไม่ได้อึดออกวันนี้อึดเข่าเสื้อเนี่ยเขามา อ, อ, มอึด เ, ข, นเนข่ายับเข่าเสื้อเนว่ยวัดรัดเจ็บดัดป่วยมากบวมีเงินนั่น เงนินไปตราดกระบอไม้ครับผมเอามาพ่อโตลงก็นั่งขางถนนคือขอท่านขอท่านไปขอท่านว่ากับสินกับขาดเพราสินส่งขาดว่าะส่งอันนี่เก็บป่วยมากกระบอไม้นีน่รักษาเจ้าของอนี้นั่งจอดเขาจอดเขาจอดเขาละ่ะคือพวกง่ายบ้านง่ายเมืองนายที่แรกก็เด็กเอาเกีบแกเอารถแก่ายที่สองไ ด, ด้หาบ่ายที่สามกรร็ได้ย่างไปเจ่โต อันเดียวก้างจอดเขาจอดเขาจอดเขายักษนะเล็กไม่ตะบะเหร่ดันยักษ์ะเราเขาไม่ตะบะกินเหลาเท่านั้นยักนะยาเขาไม่ตะบสูบยาเท่านั้นยักษนะเกิดกับมยินดีในเกิดยักษนะแก่กับมันยินดีในแก่ยักษ์นะเก็บกับมยินดีในเก็บยักษนะตายกับมยินดีในตายยังทีสนะ อยากชนะโลกก็บินดีนโลกอันเดียวกันไม่ก็ไม่อันเดียวกันอ่ะไปเอาละเนี่ยเมื่อไหร่ละฮะนี่ยิดไปพากันเมื่อไหรามันคำนะอืมจัดรายกาไดมัออนที่มันได้แต่สับโดดมือก่ของอย่บนึงแต่กดบนึงม่กดถือกลาได้ผลม่อใ้ผลกระชังสับลงมาหาโหลดกดออกโหลด ก็ได้ผลกระซ้างได้ผลพวได้ผลเขาเขาไปอื่นเข้ามานี้ยเดีเอาอยู่ของเขาอ้ม่ได้รอ็นไ่ได้ผลกระซ้างนหองอื่นเข้ามาเน้เอาไว้เกี่ยวพาหวานไปเที่ยวเลยได้ผลไม่ได้ผลที่อะไรล้า แออกแล้วสิไรนี้จ mm ับคิดจับใจท่านาวัดสีรวัดพ่าหน้าวัดไรเกล็กออกนี้จับคิดจับใจอ้าวๆไรเกลดนี้จับใจจับใจอ้าวาแล้วเข้าก็เด็เขาสู้พนธ่านเมื่อไหร่มาเกิดแกแคบตายลนวัดตาท้างอีกเลยไม่ท่านวัดสีระวัดพ่อหน้าวัดตรนั้น สีมาขับมาลายมันออกนี้จากเมืองคิดเมืองไก่มันหุ่มอยู่หนีมันเมืองหุ่มอยู่วันอื่นเข้าไปหาอื่นมันก็บข้เห็นคือพระอาทิตย์นั่นแหละเมฆหมอกมันกับหุ่มแสงมันกับอะไราเห็นจิตใจเขาเข้าเข้ากันจิ้เดชมันหุ่มหลายเข้ากับข้าวเห็นข้างภายในธาตุข้าวไม่ทีาตไม่มีศีลไม่มีพ่าแม่เนี่ย มันเคยเห็นวนทางภายนพาดเห็นวันทางเพราว่าเกิดแก่เคีบตายใน้วตาท้งสารอีกวนทางคิดวันทางใจของเฮาการยอมลวองไปราตียอมล้องไปสั่นแห้งไว้ยอมละไปเป็นล่ำลับค้อมก็ขืนค้อมแปรปวนควอมแจกสลาย เป็นของบะหมันมะเทียงอยูได้ว่าตาท่องศารใสววปากกันเหมือนนากองไส้บะมีกลางวันกลางคืนเข้าก็ต้องพี่แคระตามเป็นจริงบะมีก่กางเว้นกลางคืนอันนี้มันหยอ ด, อ ด, ด, อดอออทําหยอดเวน่ายหยอดคําสอนของพระพุทธเจ้าทลายผู้ใดพี่แคระเห็นอนิจจทุกขังอนัตตาก็อบะมันมะเทียงผ่อนกับพริบหายใจเขาออกดู ผู้นันสัว่าแล้วนี่แช่กล่าวมาแล้วผู้นั้นได้กุญแจเปิดพักตัวปลายิ่งมาเกิดพักตัวเปิดพักตัวภานในป่านนี้ได้คิดไน้ใจแล้วพู้นั้นจะขายเพิ่มในวัฏสงสารบ่อยากยินดีในวัฏสงสารผู้ยินดีในวัฏสงสารก็คือผู้ยินดีในหลุมทานเพิ um, ่มก <t komme, S 1> ็คือผู้ยินดีในเกิดแก่เก็บตายนั่นเองผู้เห็นโทษเห็นไปในวัฏสงสารก็เรียกว่าเห็นวัฏสงสาร เห็นฟ้งเห็นไฟในมรรตาทั้งสารไฟเกิดไฟแกบไฟแกบไฟตายไฟโร่ไฟโกตไฟลงไฟเว้นไฟไฟไฟ่ไฟผสมผสมไม่พอได้สมประสงค์นี่คนออกในโลกอันนี้เกิดเคยมาแล้วอันั้นตังตื่อเตียวมีแต่ไหลลงเหลิวยมลงห่องบันตายสังขารทั้งร้ายสางขึ้นมาได้อนนั้นตังตื่นเตียวมีแต่ไหลลงเหลีลงห่องมุนทรายเกิดมาเป็นัอสั่นเฮาจากอายค้หลงของเฮา จะค่อยมาท่องเที่ยวในวัดตาท่งสารเฮ้จาจะเฮี้ยนวิชาคเคสลาบควมหลงจะออกปะหน้ามา ป, าปา่าบป่าม้าไห้ขามสะเลหลงหมาลูกภายขืนสูยหาข้อดุย่อมมาหน้าไหลฟาดฟ้องเฟื้อดฟงในแนังสือกระเกีดสินไสจิตใจของพระอาญาเจ้าพ้นขืนสูงแล้วเพ้นเคเห็นมูเฮ้าเนี่ยมองเห็นมูเฮ้าเห็นจะเพิ่มเกิดค้อมแก่ข้อมเก็บข้อมตาย ความหลความโรความหลงเวียนไพ่ทั้งหลายฟาดฟ้องเพื่อนฝงดคิดเพื่อนสูงเมาขืนสู้ว้่หาอุปมาคือปัญญาเขาเพิ่นอ่าตีปัญญาเพิ่นมองเห็นเม็ดเพิ่นจะไวยินดีในโลกทังปวงมือเฮายังมองมาท่านเห็นเมดยังหาความสุขในโลกแข่งกันดูความสุขในโลกมันบอกนี่นั้นนี่พระอรนิยเจ้าเพิ่นคำว่าเขาสู้เพิ่นีนป่านเพิ่นขบดับเพิ่นเพิ่น เพิ่นตอกสเปรดอยู่ทอมีออมินเมถีเมซายดิปัญหาความสูญในโลกมันมาเห็นทอมีอินเมซายเลยมาเห็นทอมีดพันพักกาดเลยเห็นเรงสันเพิ่นจังเบื่อนายความหลงของเพิน่นโอ้ยรู้ตัวแล้วขันผู้ขาสิบพม่าเกิดม่อแค่มือเที่ยมือตายในวัฏสงสารต่อไปอีกเลยประชันท่านน่อยผู้ขาขอ้อยกายท่านร้ายผู้ขาปรักเว้นผู้ขาเช็ดลาบแล้ลว พอลาวข้ามยาแล้วมาอีกพวกค้าจะเข้าสู่เขาในพระอันเพิ่งคันพิษสมาธานจิตใจเพิ่งเป็นงั้นแต่ม kind of ูอห้ามมันหน่วยอํานาจที่เละร้ายมันคอยคุ้คอยแกงไปตามสถิติขั้วร่งของมูอห้ามในร่างมูอห้ามก็นจไปคือเพิ่งนี่แหละต่ทว่าพิษกันวัตถศสตแต่ว่าตอนละต่อไปนี่เขอให้อยากันมีความสุขความเชื่อิญแม่บอกว่ารัพุทธศาสนาของพระสมณะสมุทธเจ้าของเข้าทุกทวนหนา อยู่ทุกเมื่อบ่มีประมาณนก็ขาดเธอแอ้วแล้วอาไนี่เนาะบอกไปหลายมันก็นสุดต่เป็ียนกับนอโอ้ซังโคนี่ป้าแลา้วน่าเข้มโซโซใส่มาน้าโอ้ยโซส่มาน้ามันจะก้าจจะไปค่ะคอยนิเวศนิวัดอีกซ้อนเลย จ, จังไป ก็ใครมาหลอเขารอเอเจ้าใช่ทำโรงงานแไานากไข่ใ่แต่ว่าคีนนคา่นี่ก็คือทาได้พระคักภีรว่าจะไปรอ่อลูกศิษย์นมันเป็นอวัตถุก้อตอนเมื่อทรงศิษย์นขึ้นในสมัอวัตถุก้นตอนนี้ขึ้นได้่น่สีแน่ น, น, ฉ น, นโฉมอะไรก็แปดสับวปีแล้ว น, นี่ยสวเน่ดาเนี่หนี่พัะเนี่พรมิ่งเราหันสบายหน่อยหรแต่นดาครับเ่ยพรมินก็หับ น, น, น, น, บ, น, บ, นหบอกขึ้นนี่ยพรมิงเพราว่าราักษาแรงคนไปให้ห้างมาสั่นยืนอยู่ก็มีเนี่ยสองคน น, น, นึัง่ง เคมเพินในรอกเรอตรั้นเล่นซอขึ้ตอบเกินมาว่าผมเลยเงีต่นจะรือเสี่อพนพลนจารย์มาาบวัวนี่ะผมอยากไปเห็นเพินนอยากไปปฏิบัติเพิ น, นนะครับนักป้าผู้บาอาจารย์ผู้ไปนี่รอเอาผมไปนาผมก็หนดชัดท่าผมก็ห่ดไปซะ ก, ก่อ น, น, น, น, นแล้วั คนกบได้หลอกในล่วงอย่างผมผมคนกบซื้อาั่นคนสไปสือยูคนกบฏได้ผาเลี่ยงมากมาสั่นที่ได้เที่ยกลไปรถอยบ่อหรือว่ไปเที่ยวน้ำฉสียคบฏได้วาเื่อว่าคูบ่ายอาจารย์รออกคนนไปคนนตขอใอ้ทักท่าพกันแล้วมาสั่นคนนอกบาั่นคนนอตขอใช้มน้อยทกเปียทุกเก้าเลยมาสั่นบ่อชนะหลวงปู่น่ะได้แก้งกันนั่นแหละแ้งกับใบชักคนนอตมั่น เขนอยสิจะไปศึกษาเองหรอเพื่อนอาจารย์ยยหมหาเลยน้อพอรองโก้ส้มนี่สิหาไว้แต่เป็นทั้งึ้กันแล้ววาสันไปจบเรื่องกันเราทั้งพิดทั้งเขีนกัเลยมาน้ามาน้ามันกับ่ ไ, ยบ ไ, ไวยังได้รับวามประดับหร เจอตัวตวอาพาดความนึง่งโอ้ยขอนอยก็ไม่ได้รอมาน้ำหนกเล่นโสกได้เลยเช่นเดีอยวมาน้ำเด๋ม า, มาหาพระแมู่่าอาจารย์ปฏิบัติศิลธรรมดีวะเช่นเดี๋ยวจะมาหาวะ่นขอนายจะห้ามอย่เช่นเดีายวจะาน้ำเดวถือละขั้ว ตอนไปพิชต์ตอนนี้ตัวบักคืดใชาบ้านน่ะข้อนึงเด้ของพันกับบว่าเซนาโมดอก่าวาไซอันอนไปพิเศษทหารดอกเนี่ยรครนะาาื่งคณะเครต่างอยากให้พระแม่าคาจั้ใส่น้ำแน่มาสินี่น้นพิดตวันนี้แหละเขะมาหรอพระอาจารย์มาหัวพระลูกภูมาหัวก็แม่เนี้ยเล่ า, า, ล า, าลทานไปใส่ขนดีได้ไวห เนแนน้มา่นผมหาเน่นใส right mm ่วเป็ดมาท่ท่านหาเนนมาให้ผมใส่มันก็ดีทุวันเ่ยโอบาเยอเป็นเตับแมนโคบคนหลายวันเนาะอู้ขาดผ่านแล้วก็องเมีท่านมาทรก็เลยน้องเมื่อช้างนนกกระจายเงินวันี้ว่าเขาหน่อยบอกผ่านแล้วว่าเพีดแล้วว่าตอนอือมเขาพีดแต่ตอนเอือมถแล้วมันมันรอพ็ดตอนเดียววพีดท่านอ่นนง ทมไมแล้วท่านคนมีวัสนาร้ายเลยไปทางไหนแรงนําของสันผมหาเน่นมาไตก็เป็ี่ยนเละท่านเก่งก็ผมก็ังคนั่นมันเกินมาไม่ได้วันนี้อม่หลบบอหลบไม่ร้านบอร้านอันนี้คนสุดเก่าป่านนั่นแหะเต็มป่านนั่นแหะคนสุด 9, เดก่าทำไมท่านสุด 9, เดก่าป่านนี้เ่ามันบ้ขึ้นสูงเลยเอี ท่านเห็นแบคบคำพี่ว่าคำพี่ซื้อทิมักบ้านย่าไปเอาลูกซื้อเพิ่มมาทำก้เขาเสียมากสักเพื่อ น, นั่ง ก, กรยยเขามากท่านจะไปสมาธิสมาวัติบ้านไหนถ้าหวังไปสิกับนี้เนี่ยแมนยัวท่านปวดค้นไปลอยนึงกร บ, บาวท่านถ้าวังสิไปยู่วน้ำเพิ่นหันเอาคนอันมากคนนี่มากนะเพิ่นนะหวังสิไปยั่นําเพิ่นนี้วะท่นว่าเอาว่าหนเอาคนันมากคนนี้มาก ห้าเสนหน้ะมันเต็มกรเซ็นแต่เพื่อนนักไก่ตีว่ะตัว่น่ะเมื่อเกิดแมนหนึ่งแถวท่านเราตัวเาปิดหมดเรียบร้อยทุกคนเราบอกให้มู่ฟังเปิดสติวันนึงนะคุณเจนึงเบาๆเนี้ยเนี่ยเสียเปียกกว่าเข้าอุ้มว่ายลางคว่มดีล้างออกดีเป็นอาบนี่อะไรฟังเสีท่านกาวทำอย่านี้ผมก็มาคัดเนหน่อยผมก็มอบใจ พระสมัยพระพธิเจ้าทั้งหลายใส่พระพระเจดข้างหลายใส่พระรักันตาชี้หน้าศพทั้งหลายใส่พระอนาคฆงนี่ทั้งหลายใส่พระสกทาฆานี่ทั้งหลายใส่ พ, ส พ, ส พ, สสพสระโสดาวันทั้งหลายคร้มกันกักตุนไว้กรณียินเรามหาเทระมหาเทระส่วนทีน่หึคือพระสมัยพระธิเจ้า สันที่สพระพเจกสันที่สามพระอนาคามีสันที่สีพระสกทาคามี่สันที่ห้าสันที่สีพระอรหันต์สาวกสันที่หนึ่งพระสมานพุทจ้าสนที่สองพระพเจกสันที่สามพระรามตาชีนาศพสันที่สีพระอนาคามีสันที่หาพระสกทาคาหมี่สันที่พระโสดาบันเบื่อมือห้องจะทผิดเพน ด Israeli, ้วยการมสามารถกีกรามซีมันอกกามสามารถในพระภพกรสะกอนด้วยการอันนี้อันหนึ่งกรณีด้วยเขตตนากรณีและผู้เจตตนากรณีด้วยเดชพระมหาเทระทั้งหลายเรานี่อันส <Sir> ่งพระมหาคุณนคาอันว่ามีประมานจงส่งอัศว์แกมูอเฮ้าอยู่ตรงเงาว่ามีประมาณคนสุดทธายมูอเฮ้าทั้งหลายจงประสบเจ้าขุนความเจ้าด้วยเนี่ยพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปในทางที่ชอบอยู่ตรงเงาว่ามีประมานกาะคาเทืนในระว่างเฮ้าทั้งสองฝ่ายกรดี หรือลอเทวมหะเทระในปัจจุบันนี้ซึ่งผมพูดุัวชงคนหากัดีทัวทั่งไตโลกธาตุางไฟจางเนี่ยทิษทำเนื้กายทำสามมิตกับซมโนกับสามอันหนึ่งก็ดีขอให้ทัวทั่งไตโลกธาตุและมงห้องทั้งหลายยังมีเวในไพ่เกิดแลกการจางไฟจางใอ้โหที่กําแกลยแลกการนดยตัมืองมุมีประมาณจำเ่เท่าเขโซ่นิ้วานด้วยอำนาจแห่งวัตถุศาสนาอันท้าบาณไม่ได้ ข้าจอมผสมเจ้าคนสุดคนเจริญแม่บอกว่าเราควรจะสาปนาของรัชมางและพรเจ้าอี Jonathan, ่เง <laughs> <kon> ียบเง่ยบไปจนถึงทุกชุดทุกไหวชอบอยูุ่กงกลามความผสมของตนนั่นก็ค้าเทิินอาห้องตรงนี้ให้พุ้นมณฑละวันแลาบันจตางธรรมจะเรียนนาติเมังโลกขาเรีหลวงมจาพิวะมททิวาันทิวะัททวจิกันาว่าชาะาอยู่จะตรวนธมันที่อายุวันในสุังฟ้าธรร ันเป็นโลกนแนวขอโทษทั <t> <pilgrimage> poetry, punch, health, ้งหมทั้โคนะขอโทษทังโมทั้โคนื้ปลาไอ้โม่เข้าทงร้ายมาเปดแก้เจ้ต่ายนอจารยงสารอีกไปสู้้าพนนยในขานซะทั้งโมัโคมาอื่นปัาสนแก่แก่แก็ตกแก่แ่เข้ามาแก่เข้ามาเาเห็นไฟนมาจารย์สงารยงเสรจีนะาพ่อาอันไหมันกเป็นลเป็นสาดอก เ้าวโเห็นไพนาวาตสงสารนะ้าวเฝ้าหน้าป็โลกเฝาหน้าผุดโทษเป็โลกพุตธระมดข้าวโมงเห็นไพนาตสสารุดโทก็บ้ามาเกิดพุโทก็พ้ามาแก่ผุโทก็พ้ามาเก็บพุโทก้ามาตายทําป็ทัครคือกันมาเพื่อหน้าเห็นยังกันเห็นเที่วุทเที่ยวด่าพระอินพระพุทธพระยมพระกาญจิตรดลบบาลที่ขี้ก็ะซา้าวกระบอยี่สิบนึ่เพราะมันมาเที่ยวมาเกิดแกเก็บตาย เราเห็นแต่ทุกเต็มใจโลกระฐานแล้วเราเห็นทุกเต็มใจโลกระฐานแล้วห้ในความเพื่อนในโลกระฐานมันสามารถทำประตูดเราเห็นพอ่อรอมใใจเขาออกนั่นหเห็นอันนี้จากทุกครังอาัตตาคมเกินกันเลยความว่าอบรมใหใจของออกมันก็มันสามารถที่จะต่อนื่องสาษิตอบร่วมสามารถที่กรแมนสา่ารถสามารถที่อบรวมสินอบร่มปัญญากแมนนและวิาอกแล้วบัญญัติว่าบัญญัติก็บว่เป็นปัญหาดีเลยอ๋อนิม่มีทั้งหลายเขาเข้าไปแล้วเรเห็นนิ่ไรนปว่าเครื่องหม้ คือไม้เดิมคือนิมิตเดิมที่เ้าตังไหวเคือไม้แฉกคือนิมิตทั่วไปที่ห้อเห็นนนิมิตมันก็มสองอย่างเพลงหลุดเป็นอารมณ์ของหลุดนิมิตเพลงน้ำเป็นอารมณ์ของน้ำนิมิตไปเทยวเท่าดาพราอินพระพมพระย้อมพราการี่ตลบกบ้านทั้งก็ดีห้องเหตุไม้ห้องเห็นมันม่ยังมันหลุปนิมิตขันนิมิตปะมันหลูกขันก็น้ามขำท่นอนลุดขันกน้ามาำคือแต่อำนาจน่จังทุกครั้งอนตาเดี้วนี okay. so rivers, hmm? like mm ่น hmm. mm ัดนกดนัดจั้าโดนัดนันัดขอสั่งแค่ เกี่ยวกว่ามันสิลสามคำชาติาบราณขอมแักดีนะเนี้ยเม็ดเงินพอมันมาพานเข้าเลี่ยเข้ากับพานมันคือกันเข้าก็รูลตามไปจริงคือกันเ้าเห็นนะตามไปจริงเฮ้าหลุตามไปจริงเฮ้า็จิวัดิตามไปจริงเนะคนเพิ่งในวันตาสงสารต้องเฮ้ากัเบาลงตามันจริงด้วยกันเากับหามเบียร์ามหล้าเนตัวบ่าหามมันหรามเองมันคือไฟ พันสิทธหามันเนียมันมคึคว่าลง่าสีแดเข้าไปในกองขฟยจากเต้าง อ, องสันว่าครืของขี่นี่ท่าน่าเดยสงสัยว่ามันจะหอมจากเื้ห่งองสัรรว่าเคื่อทุกข์นี่าว่ า, าสงสัยมันจะ เ, เป็นุปเต้อในวัดเจ้าสงสารนี่ว่าองสันว่าถ้ามันเป็นซุปเพื่อนกัิิ่เขาซพปในภานไหนวะเพะื่อนกันกทีปตจิตยี่บนนันไดบนหนึ่งตัวนัน เห็นว่าโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันสมัยน่าของไส้หรอฮะเนี่ยมันจะขบดมาจะใส่ให้นั่นบอกมันนะครับมหาศีลบอนั่นบอกมหาสมาธิบอกนนั้นบอกมหาปัญญาบ่กเมื่อใดเห็นสังขารเม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นก็ย่อมดับย่อมนายในความหลงของตนคือนายทุกข์เมื่อนั้นแหละทางแห่งวิสุทธิ์ะนี่ยธาปัญญายปัสสติอัฏฐะเนี่ปินทติทุกเกเอสามโควิสุตติยะนภิสุตติมานั่น่ ข้อนุทิจเจ้าว่าข่วงหลไรเนี่ยขบแฝงมือที่พระธรรมคัน็สอนพื่นเนแ่ยขสอนพื้นเนี่ยกล้ามร่วมกันไรเขามาทอมาบนตัวหันจะอ้ทแท้ก็ควบประสงค์อันเดียวเพื่อให้เบื้องาร้่า่หม้อในวตารทุกท่นเองโอ้โหท่นลดว่าขอนรลายส้อนหน่อยก็ได้ละหันทุกคนทุกน มาใกอบบุเขาสาัทำไปีเขาเรื่องเนียผมไปเกิดเกเขินผมมาทำงานในสานในงา น, นะรับก็บอกงานบอกโมนมเลยเนอรถสี่ยบเขาได้สนนว่าเขาคนกเกิดเกิดเขินรถสี่แหวบเขาได้บังบอกงานบอกโน้มเลยเนอะผมมาทำงานในในกานในงานทั้งหลายไม่ยังพว ก, กับฝากมาแล้วเน้น โอพระผมก็แต้มมาซอยง่านอะผมนั่งหามากกินขนมมาหันมาขี่วัดซอยครับท่านทวาเสดเพื่อแล้วไปเอาอ่านอ่าน อ, อนะไรโคโศกเลยเพื่อใจารวันพันยุหันเพื่อจารวันหมุนหันว่นตายมังโอ้ชาวบ้าก็ตีแห้งนี่ชาว้า น, า น, า น, าานาาเนี่ยก็ตีแห้งเดี๋ยวรอท่นเด้อด จริงหลวงปูหม er ั Indeed, ่นหลวพาเฮ็ดแลวงปูมหาหลกงพ่เฮ็ดเลยบาส่งเสริมหลวงปู่หมั่นท่านเ่ยท่าย่อมน่งสมาธิสมาบัตบบวมเป็นปฏิปทาของหลวง่หมันเน้อจะพะกับพเฮ็ดเ้อนางไผ่นางมันสงสัยเนวไหนจะมาถามเพื่อนว่ามาเนี่ยที่มาเฮ็ดเมนตาเบื้องกันด้วยสัตว์เพื่อนวะหากินขนมหรอกเพื่นเนี่ยเฮ็ดเนี่ยเพื่อนวะอันมูเข้าเน่เฮ็ดเดาะเ็ดเศ้าจะพระเฮ็ดเ้อหลวงู่มหาห่เฮ็ดเคืีได้เข้ากับ่เฮ็ดได้เา พิ่บอยเนี่ยัตวเาว่านั่งเมื่อตาน้อยๆบงคนนั่งสัพนี้นั่งสีู่สี่สัตจิัสาววบขี่างว่าสัตวนว่ารีตะเคียงน่องสัตว์ดาวสันว์หอกสัตวแล้วนี่เราเค่หลอกกินขนมของวัวสัตว์มนก็หมน่าเขเห็นเนี่เป็นป่าว่าสัตวนว่าของไปของวันด้วยสัตว มาระเทยกุฏิยูกุฏิเดียวกันทำตัวสับสนวะเคื่อนองแนก็เพลินพนาะพรก็เกิดขึ้นเอวงปูวันในผ่านเนี่ตะกี้น เ, เกิดขึ้นเมื่อไรกกันในวัดในว่ากัดนีนน่ก็ขังเตุดขาพิสูพิเศษมัน่ได้เหุตกเต่าได้เนี่ยเราผู้หมาหาพาพา่า พักข้าวนาพูดได้ค่อยพาวนะ่าพูดโทษพดโทพูดได้คยพาวนะ่ายังข้ภพาวนะาอนะัส่วนอันนี้จังทุกคั้งอาณตจาราย์สิ่อไรมันตปหนคอามกังวลนี่มีทั้งหลายมันเกิดมาเไปพรีนั่งด้วยสร้ขึ้นทางทอดมันกระท้อนออกมากคือสั่้คืองยังเครื่อบุญสั่นาวนาสั่นนี่มันจะถอนออกมาเนี่อันพูดพีพกดพ่กันหาอันสิเพราใช่ว่าบริสุทธิ์ปฏิพันธ์มาธิปฏิพันธ์คือสั่เขาไปบูกก็มีเห็ขาไปวางก็มีเหมือรั้งเากระท้อนออกมา ก็เป็นอันนี้ต่าทุกครั้งอาณากนี่แหละคพะเจ้าสอนในี่ก อ, อันนี้ธรรมาโลกโซพกเาเป็นของต่วนผมบอกง่ามันว่ามันของงามคือทา ง, งมานี้แหละที่แน่าอันนี้นะก็ปัญานเอื้อมธร่มะรวบยู่เนือบดใน น, น, นั้นภาษานรนี่ภาษาสระมันเครื่อนดึงบูดมายู่เนื้ดเมื่อเขื่อนทิศน่ะมันงจะเสียไปทางทิศเหนือบดม่งั้น็จทิศเหนือผ่องีย่ย ้นนำของน้องข้าวมุงบาข้าวไร้ลงสู่ห่วงมหาสมุทรเลบัดกรรมทานทางไรก็รมอะไรม้วมสู่อนิจจังทุกขังอตาบัดทั้งสอวันนี้บนสีเบือนายขามอกในว่าตาสงสารนอกจากนั้นมึงแก่ท่านอ่ะมึงจะอวดสวรรคอวดนรกกันทุกเขาเผ้าหน้าอังสันมันเขาโบเห็นสวรนรกเนี่ยสวรรค์มันเป็นของบเทียงเนี่าเกิดแล้วแก้เก็บตายนี่คือว่าเขาโบเห็นหมดหมดอังสันแล้แต่พวกมาโุลงมาไตโลกทากเขาเห็นหมดเขาจึงยอมพิจารณาังสันว่า มาเลียมกลางเขาพอกวาตัวสลดัดตัวเพ่เขาพานมาเล้วอกเมียนมอนั่นอะไะนี่ไปเมื่อไหแล้วการคว่อมละอายนะครับตัวเนาสะนะกับการมู่กันเหนี่ยวการระดูอันแปรปวนการซักเสือซักข้าวการกระดูอักนการระดูอันแปรปวน กันยุงกันริ่นไม่ใช่เพื่อโอทงภาคภูมิเนี่ยภาคภูติเจ้าสอนเนี่ยพี่ยาชันยาชั้นเตศสัพท์ฉันยาแชรโลกเพื่อบำบัดอาพาธต่างๆเพื่อจะได้ปลดพืชปลอมจารย์ในปทุกข์ในวัฏสังสารฉันวินถวัตกำลังกันฉันวินถวัตเพราะชันเพื่อ พอแก่ความหิวมาให้ความหิวเพิ่มขึ้นแล้วก็เวทนาเวทนานางอันลำบากเวทนาเพื่อมาให้เวทนาเก่าเพื่อมาให้ความหิวเก่าบวกขึ้นกับความหิวใหม่อีกเพื่อบรรเทาไปเป็นวันวันเพื่อเพืดอพรมจันท ร, ร์เพื่อคนทุกข์ดาวธาตุสงสาทาา่านพิจารณาหลังนั้นมาให้อยู่เพื่อกินกินพอได้อยู ไม่ให้อยู่เพื่อนั่งเพ่อนอนนอนนั่งพอได้อยู่ไม่ให้อยู่เพื่อร่ำเพรื่อรวยในอาวุธไฟนอกเพอ่ออาวุธไฟอคพอได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วือไม่สว่บาปเสนาะแล้วก็ให้อาศัยเพื่อประพฤติพจนทุกธรรมชาติทั้งสามทานนั่แม่จะให้อาศัยเพื่อจติดอยู่หรือเพื่อจะแสดงความร่าความรวยอะไร รือวัฒนศาสตร์อะไรพระพุทธเจ้าสอนนะเมื่อพระพุทธเจ้าสรนสันเนีรร่ยเกลี่ยองเทาก็คอยระงับไปคอยบรเทัาไปท้ปองพอดีมาสอนสัเกี่ย้องแห้งงพระพันทีฝอยใช่ไหมนะสอนให้บรรทัาทำสั้นสูงได้ในโลกวันานิจังได้ในโลกวัทุกขัง รนในโลกวัตอานาตตาอย่สงสัยอะไราเกิดขึ้นน้าแปรปรนแ้าแจกสลายทำบลกสูงโล<ร>ก<ง>นี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของทชราพยาธินำเข้าไปใกล้ไม่ยั ง, งคือโลกคือหมู่สักไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะตัวจะจำต้องจะได้ทิ้งซากมว้ในแผ่นดิน โลกคือมือสัตว์บกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุเองตันหาคอนเทนต์ยานหยาอันนั้นอยากอันนี้ใชรละเมืองพอในโลกไม่มีมีแต่เมืองต้องการากาาากาแล้วก็ขาดนั่นเดี๋ยวก็ขาดนี่งานนี้ท่านเบือ่อท่านก็นเลยขำความหลงของตนไปเสียแล้วก็ขำโลกโอ๋อท่ามูอโตชีวะยังบอกใช่ ทราบว่าปูซิลล่ไหมมุตโตมันนี่คว่ำชุกคว่ำจะเล่นแม่บอกว่าุธศาสนาของพระทั้งายขอพรเจ้าทําเย็นเดินนะฮ้อนรับเตือนมุกุงวะบอกนี่กะว่าไอ้คนทุกนาว่าใต้งศารเนี่ยมาเกิดแก่เจ็บตายในว่าต้ศาลอีกแม่ก้าสูซ่ไม่พาดง่ายๆอามานดา คนละบุตรต้องออประพฤติด้วยหนึ่งวิรามานาลงุนถ้ามให้ความชั่วสองให้ตั้งเงินใหคนดีสาให้ศึกษาศิลปวิทยาวิรามานาสำหรับกบุตรสี่เมื่อสมควรแล้วก็หาสามีภรรยาที่สมควรให้แล้วก็มอบทรัพย์ให้ในสมัยบ้างถ้าที่มีอยู่ที่นี่วนบุตรเทิดา หนึ่ท่านเรียกมาแล้หนึ่งท่า น, อาานตอบสองทำกิจธนากของท่านสามดำรงวงศ์ตระกูลไม่เป็นคนเกเรกเหล็กประพฤติตนท่านเป็นคนควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านรับไปแล้วทำบุนที่ไหนท่านในระหว่างฟัวกัมเมียทนี้หนึ่งด้วยรับย่องหน้านับว่าเป็นภรรยาสองด้วยไม่ดูหมิน่นสามด้วยไม่พึ่ดร่วงใจคือไม่ไปเล่นสาวเป็นต้น สี่เริมมอบความเมตตาให้ห้าริ่มเคลื่อแต่งตัวภรรยาเลยครับบำบัลงชะนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถตวห้าหนึ่งจัด ก, การงานดีสองสองขาะห์คนข้างเคียงของผัวดีสามให้ประพฤติร่วมใจผัวสี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้ห้าขยันไ่เกียรข้ามในที่การทั้งปวอยู่เมื่อโงดอมีนั่งหนึ่งกับแถวหนึ่งนั่งนั่งเป็นคดใจดีนั่ง หวเาต้ส่วนพนินเหล่ามาเฮื่อ น, นมัดเงินไปจัทอะไรอะไรองสื่อเราฟองือกล้ตอนรับกันให้ตังๆๆๆๆๆ้งตั้งเงินตั้งมดเงินไปจับอะไรอะไรฮัเนี่ยพอแขกนี้ไปแล้วนั่งนั่งกับ่ให้เขาเห็นเงินหันั่หยิบเงี้ยแก้มไส่ก็เขาลงเงินไปวั ด, ววดเลยหัวกาวหมองม้อนน้เดยวซุปนั่นหัวามแหง อข้อมาแลหละกับซึมเสีหูที่นัน่นนะพ่อจอ right. ให้เจ้าไปเอืดอมมาอีกกเส็มาอะไมดเงินมืดจักไรตะไรไรสเขาเขาเขไปริบแล้วเพราะในพวสอะไรเ่ปากนี่นพว เ, เห็นมณียอดเนี่ยสวยเมื่องามเลยเลยละถีมา่ะไอเนี่ยบวเฮ็ด น, นาบุนาบึงเนี่ยนัเขามาอยู่บัดทาเขานี้เราจองอ้อพวมาแซึมเสีงหูที่นั่นละพ่อเจ้าเห็ป้ามาบานดูดว่าเสร็จมาอมดเงินไรอันนี้เแบบนั้นได้นั่งเอ กอดคอดกับซื้อม่ง้หเนอ่ยาจ้วต่สูเขาว่ไรเดี๋ยวมันจะให้เขาเขาจะตีสู่เขา่าไรมาให้เลยเนลกนะพรมันวนเองพระพุทธเจ้าห้องทานอพะแห้งเลยใชระเบืงก่อนพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้ากเกงมเป็นวนเองเพื่อเรียนหน่อยเสียหน่อยเยนร้าก็เสียรายวนเองเนี่ยไต่รกถาเลยเพะพระเจ้าห้องพระองค์เป็นวนเอง ทายไวแล้วมาว่ามันชสียหายจะกลายเป็นเจริญไม่มีรัฐบาลเขาเล่นเขาเสียหายก็เราเขาเสียหายด้วยเพราะเขาเอาเงินกลางเนี่ยเขาไม่ได้เอากราะเป๋าของเขาอแต่เราเอาเงินกระเป๋าของเราไปสู้มันก็สู้ไม่ไหวนะมักแทะเอกหอยใต้ดิ น, นมันก็ใต้ดินอยู่างนั้นะมันขึ้นบนดินไม่ได้หรอกพระองค์ไหนมาก็มันนานเยอะ ไอตัวเขามันมันก็เอาผ้าเหลืองของพระองค์มานั่งกินอยู่แล้วทําไมมันถึงจะฉลาดกว่าพระองค์พระองค์บอกว่ามันชิ้นไผมันก็จะเป็นพุทธประหารธรรมประหารช้างข้าประหารมันก็ไม่ถูกตัวของหัวมันมันก็เอาผ้าชีวอนพระองค์เจ้ามานั่งทับกินอยู่ตลอดปัจจัยสี่ชีว่าเป็นฉบาทเทนะขณะได้เพศัตของพระพุทธธรรมพระสงค์มันอาศัยอยู่มันจะทําตัวให้เสริดกว่าพระพุทธธรรมประสงค์ทําไม่ได้ พระองค์ไหนก็ตามเมียองไหนก็ตามโยมคนไหนก็ตามรัฐบาลที่ไหนก็ตามนัพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกข้อพิจนแล้วคําสอนใดในใจลัทาิเป็นเมืองพึ่งคาสอนของพุทธศาสน์ทั้งหมดเหมือนเข็มทิศต้องเชื่อไปในทางทิศเหนือหมดจะรู้ตัวหรือไม่รลอยเป็นปัญหาต่อที่อยู่นั้นเทื่อวในทางลึกซึ้งเพื่อให้คํานึ่งหลายทาง น้ำมือน้องคลองบางต่างๆไรลงสู่มะครทุทะเลเดยในรู้ตัวตัวช้ำใดคำสอนอะไรก็ไร่ตรงสูงคําสอนพระพุทธศาสนาโดยในรูปตัวช้ำนั้นั่นนั่นนันนั่เมื่อเป็นอันนี้เราจะฝืนมาที่ไหนที่เปลววยยกเลิกเพิถอนเคารุบคาสอนของพระองค์พงชีวัฒน์อันดีเลี้ยงชีทางชอบประกอบสีทอดสะพานอันเดีไม่นานร้านเลี้ยงเกิดมาได้เดินตามเป็นมอญดอกนำนั่นเยอะซับประเสริฐเข้ไม่เข้า เว้นอบายมุกจะเป็นสุขทวีคูณแหน่อะไรนั้นก็เป็นทุกข์ใต้หลังนั้นก็เป็นทุกข์ทวีคูณแหนคนชิบหาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอวัยมุกเดี๋ยวคูเป็นนี่มึงมึงเป็นนี่กูเดี๋ยวคูรักมึงมึงรักครูเดี๋ยวคูบ่นประเทศมึงมึงชอบว่อนประเทศโกก็เพราะอวัยยมุกฮะถ้ามีอบายมุกชินห่าก็ไม่ต้องได้ลําบาก มันก็ไม่ละเมิดถ้ามันละเมิสินห้ามันก็ละเมิดอวัยวุฒเหมือนกันนั่นอันเดียวกันอวัยวุฒก็นับนับข้าสินห้าขอด้วยคุณลวงละเมิดสินห้าคื limp. อลวงละเมิดอวัยวุฒินั่นเองนันๆนันนันันใส่ไม่โทรอีกใส่ไม่จัดตารางอีกนั่นนั่่นนั น, น, น, น, น ภา ว, าภาวนา่าพุทโธพโทโอยุใจทัมโอยู่ไตยใจทังโขยุยใจเถึงโมพุดพะธรรมสงค์ยุ ท, ท่ธเนือเนื้อ ไ, ได้เอได้แล้วลึกได้ไหด้ก็ดีเพราะปู่ขาดจองขาดเขาลบน้าถือพุทธธงสมโฉมหรืทั้งหมดมีประมาณแลลึกได้ไมันได้ก็ดีพราคนทุกเนว้อตาสงสารโดยด่วนอยากได้รอชาติเลย <S <S ไม่อยากมาสูดแก่แกตายเนื้อตาตสงสารอีกถ้าละวัตตะก า, าแฟวนวนเวียนถ้าว่าสงสารกาแฟภาวน้าสงสารสิ่งที่วเวียน ถึงนั้ที่มุนเยี่ยมถึนั้นก็เป็นทุกข์นะถึงนั้นจะรู้ตัวหรือไม่เขาเลเป็นปัญหานะครับปฏิบัติเพื่อคนทุกข์นะครับท้าท้องสารปัญหาไม่มากเนอถ้าเราปฏิบัติพื่พุทธศาสนานะเพื่อันเออปัญหามันก็มารุ่งเหยิงแก้อันหนึ่งอันหนึ่งก็มาหืมาแก้อันหนึ่งอันหนึ่งก็มาถ้าเราเพื่ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์นะครับท้า้องสารปัญหาไม่มากหรอกเมียก็เอาคนเดียวเท่านั้นทัวก็เอาคนเดียวเท้านั้นแหละไม่ต้องต้องการอีก พระสสดาวันที่เป็นผู้หญิงไม่สามารถร่วงละเมิดสามีของตนได้สามีที่เป็นพระสสดาวันก็ไม่สามารถร่วงละเมิดภรรยาของตนในการมาโลกแปลว่ามีสิ้งห้าบริบูรณ์ชาบ้ายาุทุก ป, ประเภทศไม่ใช่ใดยอยากจะร่วงละเมิดภุมของโสดาวันถึงพระพุทธความพระสองฆ์อยู่เป็นนิด แล้วได้ไม่ได้ก็ดีไม่สงสัยว่าไม่เสียดายว่าจะไปถือ้อศาสนาอื่นจะมีใครมาหลอกกลวงเขเปลี่ยนไหนก็ตามไม่เสียดายอยากเขารัศาสะนาอื่นเลยถึงจะพูดออกหรเอไม่พูดออกก็ตามถึงจะพูดอวดันหรือไมนพูดวดันก็ตามไม่เสียดายเลยไม่เสียดายอยากจะถือรักที่อื่นนอกจากพระพุทธศาสน า, าไปนั่นคูมพระโสดดันไม่เสียดายอยากจะลวงนะำวดศีลห้ามลลหมไม่เสียดายอยากจะสาดแย่งผู้ใดให้ชิ้นหาย โกรธอยู่แต่ไม่สาแช่โกรธก็โกรธอยู่แต่โกรธนั้นเบาลงแล้วไม่ไม่ถึงกับสาดแค่ไม่ถึงกับเบียดเบียนไม่ถึงกั บ, บแก้แค้นก็โาาโกรธไม่ถึงกับแก้แค้นถ้าเคยได้สร้างเอาเขามาแต่าชาติก่อนพ็ให้แล้วคัาไปซะเนอะถ้าเขามาก่อเวรก่อขึ้นใหม่เราก็จะไม่ตอบแทนให้มันแล้วควาไปซะเทนั้นก็โซดาล์วานเท่านั้น นาเมียสมิชาจารก็ไม่เสียดายอยากจะลวงลเรเอเลยภู ษ, ษาก็ไม่เสียดายอยากจะพูดผลสุราก็ไม่เสียดายอยากจะดื่มนันะ่ภูพสุดาวันได้ภะสุดาวันเนี่ยก็เท่ากับว่าได้ทรัพย์เต็มเป็นพระเป็นดินท่านทรัพย์ภายนอกัอะไรด้วยนั่นะไม่ไม่เสียดายอยากจะอาฆาตจองเวรโกรใจเก็บกับท่านผู้ใดเลย มึงเถอะไม่มีกูไม่เอามึงท่านนั้นกูจะเอามึงท่านนี้ไม่มีพระพุดธวันนะจะภาวนาหรือไม่ภาวนาก็จิตใจก็เป็นอยู่แบบนั้นไม่เช่ได้อยากล้มละเมิดสิทธิ้าไม่เชียดาอ ย, าลล อ, ายดาอยากจะถือสตราอื่นไม่เช่ไดายอยากจะเล่นอบาลยมุกไม่เช่ได้อยากจะข่าค่าขายเครื่องประหารฆ่าขายมนุษย์ ค้าขายสัตว์เป็นในเสัตว์ที่ตัว่าคุณเป็นอาหารค้าขายละมอค้าขายยาพิษก็ไม่เสียดายอยากจะค้าขายพูณพระโถดดันเพื่อเป็นทางชิพหายโดยสายเดียวเหมือนนำร้างชิบวนที่ไม่เสียดายอยากจะเอาคืนมาสะบักอีกตอนนี้ที่ี่้องจะพูดอะไรก็พูดสักนีมันมันมันเหนื่อยจังควแล้วทำบาปบ่อย แล้วก็ต่ําลงไปหาทางชั่วบ่อยทําบุญแล้วก็มาอยู่ที่ใจทาบาปแล้วก็มาอยู่ที่ใจไม่ได้ต้อนข้อข้องยากวนโคแล้วขขงงลกระเบือ้อทําบุญบวกบุญอยู่ที่ใจทาบาปก็บอกบาปอยู่ที่ใจเราจะรู้ตัวหรือรู้ตัวมันเป็นปัญหาเราคือใจใจคือเราตามสมมุติ ตั้งอัตโนนาโถตนเป็นท <Northeast> mm ี่พ <conclusions S 1> ึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจก็คือธรรมเป็นที่พึ่งของธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันเบียดเบียนตนก็คือเบียดเบียนใจก็คือเบียดเบียนธรรมเคารพตนในทางที่ชอบก็คือเคารพใจในทางที่ชอบก็คือเคารพธรรมในทางที่ชอบในตัว ปฏิบัติใจในทางที่ชอบกับปฏิบัติตนในทางที่ชอบกับปฏิบัติพระพุทธศาสนาในทางที่ชอบก็มีความหมายเดียวกันพระพุทธศาสนามีหลักเหตุผลปฏิบัติตามหลักเหตุผลไม่ใช่ทํามาไม่ใช่โลกาชิตไตยาติพระพุทธศาสนาไม่ใช่อัตตาจิตวตาติไม่เห็นตนเป็นใหญ่ ไม่เห็นโลกเป็นใหญ่เห็นธรรมเป็นใหญ่เคารับธรรมย่อธรรมารนมุธรรมาปฏิธรรมาชุปไตพราบรามศาสดาก็เคารับธรรมถ้าทําให้มีอยู่ก่อนพระเรามศาสดาก็ไม่มีเสียงที่จะเคารับจึงเคารับธรรมถ้าทํำไม่มีอยู่ก่อนพระเรามศาสดาก็ไม่มีเสีงเงเยสสสงที่จะรู้ เพราะทำในจระเข้อยู่ก่อนจึงมีเหตุที่จะรู้ถ้ารู้ไม่รู้ทําทําก็มีอยู่ทําคําสอนน้องพุทธศาสนาจะมีมากสักเพียงไรก็ตามก็ย่อดลงมาหาที่ใจมโนพุทพังขมาธรรมามโนเสดดามโนมายาทำทั้งหลายก็มีใจเป็นใหญ่บาปจะเกิดขึ้นก็มีใจเป็นหัวหน้าภาซ่างบุญจะเกิดขึ้นก็เพราะมีใจเป็นหัวหน้าภาซ่างขึ้น กายวายกายไม่รู้จักอีโนอีน่อะไรเขาพาทำอะไรมันก็ทำมันไม่รับผิดรับชอบด้วยเหตุผลมันก็ไม่รับด้วยถ้ามันไหวติงไปมาได้ทางไหนมันก็ไปไม่ได้ลุกเถิดลุกเถิดเดินเถิดนั่งเถิดนอนเถิดมันก็พิกนอนไม่ได้มันก็ไม่หลับอีกด้วยถ้ามันเจ็บปวดรวดร่ามากเมื่อเป็นอย่างนี้เข้าใจเป็นผู้รับเหตุผล ทำดีก็ทําให้ใจทำชั่วก็ทำให้ใจจะไปทิ้งให้ใครก็ไม่ได้มันก็ไม่ไปบาบุญคุณโทษไม่อยู่นะฝ้าในแดนในดินที่ไหนอยู่ในกายของบุคคลแต่ละคนเมื่อฉะนั้นพระบรมศาสตร์ตรัว่าอริยะธรรมทิโตนาโรอริยะธรรมคือทำอันประเสริฐตั้งอยู่ที่นอและชนของแต่ละท่านและคนนั่นเองนัเทิอยู่สี่จุ้าพรรษาพระบรมศาสตร์ตรองค์ไหนๆก่อนมันกัน ย่ลงถึงใจเลยจนปฏิบัติง่ายจนหาง่ายเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่ใจถ้าหาก็ต้องหาที่ใจถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจถ้า ม, ม, มีก็มีอยู่ที่ใจถ้าไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่ใจใจเ อ, อื้เธอเคยได้สร้างกุศลผลบุญมาแล้วหรือไม่มีทางวัดศีลวัดภาวนาวัดในปัจจุบันในชาตินี้แหละเธอเคยทํำไหมถ้าเคยทํามาก็ตอบโจทย์ตนได้ถ้าไม่เคยทํามาก็ตอบตนไม่ได้ถึงจะโกหกพโลกลมตน ก็ไม่ลงเอกด้วยนะณที่โลกเกเรโหานะมะความลับไม่มีในโลกปัจจัยของเรานึกอะไรเห็นอะไรเราก็รู้อยู่จะโกงโคกลมตนเองมันก็ไม่ลงเหมือนกันนะเคยได้ทาสิาส่งดีที่สิ่งชั่วไว้ในปัจจุบันในชาติมันก็เห็นหมดเลยมันให้ผลยังไงมันก็เห็นหมดความดีมันให้ผลยังไงมันก็เห็นหมดความชั่วในปัจจุบันในชาติมันให้ผลมาอย่างไงมันก็เห็นมันหมดนะ ไม่มีใครจะรู้เท่าบันท่านท่านจึงว่าสันทิกที่โกผู้บรรลุต้องเห็นเองผูไง้ไม่บรรลุก็เห็นเองเหมือนกันเช่นพวกป้นพวกสะดมเขาจะปฏิเสธสักอย่างไหนก็ตามแต่เขาก็รู้ว่าเขาพ้นเขาสะดมอยู่ถ้าหาว่าเขาได้พ้นได้สะดมถ้าหาว่าเขาไม่ได้พ้นไม่ได้สะดมจะหาว่าใส่เขาเขาก็รู้เขาอยู่เช่นข่าวเรื่องรือมา ว่าคนนั่นทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้ก็ถูกอยู่แต่ว่าเขารูกเขาอยู่เขาทำหรือไม่ทำก็อยู่ภูเก็ตพังงาก็มีโยมคนหนึ่งประเพรียมากเคยเป็นนายอาเภอเคยเป็นภรรยาของนายอาเภอแล้วเคยเข้ามาใกล้พระกรรมาฐานอยู่อาเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงา เด็กคอนหนึ่งอายุราวเจ็ดขวบมือนตื่มันตื่นเช้ามามันไม่ร่างหน้าที่นี่ผู้ใหญ่ก็เถียงกั น, นเด็กคนนี้ไม่ร่างหน้าเถียงกันแต่มันก็ไมพูดมันนิ่งอยู่เฉมันปล่อยให้ผู้ใหญ่เถียงกันคุณมานัทแกเคยอยู่าากับพระกรรมฐานแกก็พูดเอ่ยขึ้นว่าจะเถียงกันทําไม ล่างหรือไม่ล่างมันก็รู้วมันจะเกิดมันก็รู้จกักมันอยู่พวกเราจะเถียงกันทําไมพวกที่เคยพอนาเขาตอบเหมาะของเขาล่างหรือไม่ล่างมันก็รู้จักมันอยู่พวกเราจะเถียงกันทําไมถูกไหมนะ น, นั่นตอนนี้นิดเข้าใจนะเนี่ยตอนนี้นิดนีย นักสอนของพุทธศาสนาเบื้องต้นสอนเร้ทํามาหาเลี่ยงชีวิตในทางที่ชอบถ้าเป็นพระก็ต้องสัมมาทิฏฐิหรือส ม, มาอาชีวะเรื่องชีวิตชอบคือเป็นจากเรี่ยงชีวิตในทางที่ิดไม่หลอกลวงเขาเลี่ยงชีวิตเรียกว่าเลี่ยงชีวิตในทางที่ชอบจัดเข้าในสีนสกขาส ม, มาทิฏฐิปัญญาแทนชอบ จัดเข้าในปัญญาศิกขาคำว่าศิกขาเป็นศิกขาที่กว้างกว่าชิคขาบทศิกขาหมายถึงศีนสมาธิปัญญาศิคขาบทหมายเป็นบทบทศิกขาหมายถึงศีนสมาธิปัญญาอธิสีนชิกขาชิกขาคือศีนยิ่งอธิกิตะศิกขาศิกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาศิกขาศิกขาคือปัญญายิ่งวลงมาทีละ สินเชื่อขายยิ่งจะรับเอาขนาดไหนในทางพุทธศาสนานับแต่เพียงศินห้าบริบูรณ์เท่านั้นก็เรียกว่าศินยิ่งคือเป็นโลคตระสินสินห้าบริบูรณ์เมื่อสินแปดบริบูรณ์ก็เป็นโลคตระีินสินแปดบริบูรณ์ไม่ดาไม่พ่อยเป็นสินพระอนาคามีศินห้าบริบูรณ์ไม่ดาไม่พ่อยเป็นสินขปโฏดาัน เสียงสองร้อยสเจ็ดไม่ได่าไม่ร้อยเป็นเสียงของพระรหัสนี่ข้าจะพ่อรูอร้ดีโยวาวัฏตาสงสารนี่เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยความเกิดเป็นเต็มไปด้วยความแก่เต็มไปด้วยความเจ็บเต็มไปด้วยความตายเต็มไปด้วยคนนย ว, วามมีอกพระทั เต็มไปด้วยความปรารถนาอะได้สมหวังสิ่งมันนี่มันมาเต็มอยู่ยคิดยุคใจเฮาเอริตใจเฮาเป็นผู้รู้จักภาพนล ท, ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นมื่อเป็นเรื่องสัน้นแล้วก็มีหนทางอันไหน็มีหนทางแต่เอาพอพูดพรอทประสงค์สองลงไม่ใจหาเลิกก็แผ่นดินหนาสองแสนสี่มื่นโยดพนแผ่นดินหนาสองแสนสี่มื่นโยด ลู่ระเบิดปลรมานูเขาทำลายแตกยุกคค้นผู้ถึงพระพุทธพระธรทำพะสง์แล้วซึ่งเป็นอาจารและสัทธาสัทธาบรบอกเวกสัทธาในโลกุตละสัทธาเสื่อมันใด้คุณพระพุทธพระธรทำพะสง์ว่าเป็นถ้ำที่ค้ำสร้างสอนของสัตว์ทั้งหลายเป็นนิย่านี้กระทำนําสัตว์ออกจากวัตทุกทั้งปวง นี่ทานวัดศีลวัดภาวนาวัดเป็นต้นท่านวัดศีลวัดภาวนาวัดของเฮาเต็มตืนแล้วยุดไม้ปลายทางของเฮากว่าจะเข่าสู้พระนิพพานเดี๋ยวนี้ทานวัดศีลวัดภาวนาวัดของเฮานังบกครองรูเฮาจึงได้มาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารเพื่อสั่งขอใช้ในกิจในใจในมโนกุพั้งของเฮา ขันทานาวัตรศีลวัตรพาวนาวัตรแกก้าเขาว่าในกิจในใจเฮาถลายยึดใจเฮากันับวันจักรสนะค่วมหลงจักรสนะค่วมเพื่นเน้อวัตตาสงสารไป น, นักว่าขานทนาวัตศีลวัตรพาวนาวัตรของเฮายังเมื่ท่านเต็มเพียงไหนเฮาก็มีนาที่สี่สามไปตะพื้นตะพื้นผู้ไปฮอดไหวที่สุดก็คือฮอดในศาตร์นี่ ผู้ขันที่สองก็คือพาะสิยาเมตไตายผู้ขันที่สามที่สีที่หาที่เก้าที่ร้อยที่หมื่นที่โกดที่ลาดที่ตื่นติวเสลียวติวกับพระพุทธเจ้าองค์หลังเป็นลาดับไปเลยอืมแนววันนั้นมันจังไหนก็ต้องไปบนเดียวกันเมด่คิดว่าแต่ประการไปหลังเท่านั้นไปพระนิพพานเนี่ยพวกที่ไปพระนิพพานแล้วน่ะ มากกาเม็ดเห็นเม็ดท่าเนี่ยถ่องมหาสมุทรซีมหาสมุทรคู่เกียมตัวจักไปก็เหมือนกันเออผู้ไปแล้วก็เหมือนกัน <c oughs> ดอกบัวซีเราเราที่อยู่ใต้น้าก็ตอกไปที่หลังก็ต้องบานที่หลังดีบ่ดีบ่าบานเพราะเป็นพักษาแห้งป่าและเตาดอกที่เสมอหนามก็มีวันจักบานดอกเป็นตูม ดอกที่บานแล้วกับบานเต็มพุ่มดอกบัวว่าไม่ในแต่ขังพุทธการเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่นํ้ำงอคอดอกบัวก่อเดียวดอกบัวก่อเดียวหนึ่งไม้ขั้วมาคนอยู่ในโลกแต่ละดอกไม้ขั้วมาแต่ละไร่ของบุคคลดอกบานกระบานเต็มพุ่มคือผู้ป่วยอาจารย์ผู้พ้นพ้นไปแล้วดอกตูมกระตูมเต็มพุ่มคือผู้ตะเกียกตะกายอยากรุดอยากพ้นอยู่ ดอกเสมอน้ามก็เสมอน้าเต็มพุ่มคือกำลังเล่ ง, ลงให้เล่งให้ท่านรักษาสิ่ภาวน้าอยู่ดอกอยื้ใต้น้ำก็อุปมาพูดคือผู้ถือว่มีบุญมีบาปสุกเอาเ้ากิน เ, เจอก้างว่าแต่ว่าเพราะยังมืดม่อนอนท ก, การอยู่พวกมูเฮ้ามันก็อยู่ในระวางดอกที่เสมอหน้าและกําลังเป็นตูม ครูบาอาจารย์ผู้พ้นปฏิบัติเข่งขัดพ้พ้ไปแล้วเหมือนดอกบัวที่บานอยู่ในปัจจุบันนี้เองปัจจุบันนี้ผู้พ้นพ้นไปแล้วก็มีอยู่วันใดนิยมการว่นใดนิยมเวลาอากาลิโกผู้ใดทําบุญย่ำใดก็เป็นบุญย่ำนั้นผู้ใดนําบาญย่มใดก็เป็นบาญยามนั้นยามใดยามของคิดของใจบาปมันกับบาปอยู่ใจบุญมันกับบุญอยู่ใจ ทำบุญแล้วก็ลงไปยุยใจหันบริษัไปอยูุ่บนอืน่นขั้งสมบัติพัชสถานที่ห้าอาไปฝากไว้อ น, นั้นจะสมบัติพัชสถานภายนออกทำให้มีหลายเพราะโจรขลักเพราะเขาที่ปนเพราะเขาทิกี้สารพัดจึงไปฝากขั้งไว้เหลือว่าสังหาริมทรัพย์ส่วนอสังหาริมทรัพย์เลือกสวนไฮน่าห้องเฮาก็าอยู่ตามเดิมสัวิญญาณก็ทรัพย์ ทรัพย์ที่มีวิญญาณก็ดีอวิญญาณนั่นก็ทรัพทรัพที่บุมีวิญญาณก็ดีทรัพย์ภายนอกมือนี่เป็นของมณเนนอนโจรหานละนโนนิธิโจรนเอาไปก็ได้ไฝ่ไหม้ก็เป็นพระราชาริบเอากปได้ท่านเอาไปฝังไว้ในานา้ำกระนาคพดเุืวันเตเอาไปกินฝังไว้ในขี้ดินก็พูดพีปีศาสเอาไป กุคนผู้ฝังคุ้มซับไว้ในท่านวัดศีลวัตภาวนาวัดเป็นคุ้มซับภายในอนุคาเมนี่ติดตามตนไปทั้งในพบนี่และพบหนาแในยังยิ่งคือพระนิพพานเดี๋ยวนี้เขาจองคิ้วพระนิพพานแล้วสี่หอดศาสต์ได้พบไดก็ บ, บว่าแตว่าผู้ปัญญาไว้กับต่อหอดศาสตร์นี่มาค้าดีแลนชวงมาค้าหักลุกปม่าคือผู้สั่งบาลาีแก่กล้าแล้ว ก็ต้องแล่นออกกรผู้สามผู้ท่านกล้าอุปมากคือมาขาดีไปก่อนบล้ อ, อการท่องเที่ยวในวัดตาสงสารเขาว่ามีการสงสัยดอกมีตะเกิดแก้เก็บตายห ม, ม้อมึงอดีตก็เกิดแก้เก็บสายเทีอยงมาแล้ว ม, ม้อมึงอนาคตก็เกิดแก้เก็บสายบูท่นมาเถิม มองเมื่ในปัจจุบันกับเิดแก้เก็บตายที่กําลังเป็นอยู่มองเมื่ออดีตกัอนิจจังทุกครั้งอนัตตาที่รวงไปแล้วมองเมื่ออนาคตกัอนิจจังทุกครั้งอนัตตาที่พรทัานมาเถิดมองเบื่อปัจจุบันกับอนิจจังทุกครั้งอนัตตาที่กําลังเป็นอยู่เข้าเห็นคั้นต า, ขนายขณะคิดหนึ่งเข้าไปเห็นรอบโลกพอโลกเต็มไปได้วยขั้นตายเข้ามาต่องสงสัยโลกอี ก, น ก, อ ก, ก, อกันบืนไปสงสัยอีกเกิดอยากว่าเห็นบ่ชัด ก็เรียกว่าเห็นตามที่เคยได้ฟังมาเห็นตามควอมจำที่ฟังมาถ้าเห็นชัดๆแล้วก็บว่าต้องสงสัยเห็นคนรเจ็บขณะนึงก็เห็นโลกรอบหนึง่งเห็นคนรตายคณะคิดหนึง่งก็เห็นโลกรอบหนึง่งเห็นควอมประวันว่เทีย่ยงคณะคิดนึงก็เห็นโลกรอบหนึง่งเห็นว่าโลกทั้งหลายเต็มไปแต่ความทุกข์กันสี่แล้วห่าวทั้งหลายก็บอก่ามินสิมาสะสมค่วมหลงไว้ในโลก พ่อมหลงสีบล่ะอาลาถอยออกจากกิจตาสันดานมันกับโบนีเพรอมองดูภาพโคตของโลกวันมุยวันรี่วันรับอุตสาหที่อาโลกโู